เดินจงกรมบางคนก้าวสั้นบางคนก้าวยาวให้ก้าวเท่าที่เราก้าวได้ก้าวได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าก้าวสั้นหรือก้าวยาวเกินไปแต่ให้ช้าลงไปช้าเพื่อไวเสียเพื่อได้ถ้าตั้งสติมั่นคงแล้วก้าวช้าๆจะไม่ล้มยืนขาเดียวได้เวลาก้าวเท้าขวาย่างไปน้ำหนักจะอยู่ที่เท้าซ้าย ถ้าทวงมากจะเซถ้าก้าวเท้าซ้ายย่างขวาจะรับน้ำหนักถ้ารับไม่ได้จะล้มเมื่อเราเดินไปเรื่อยๆมันจะ่วงน้าหนักทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะไม่ล้มทำครั้งแรกๆก็จะมีเซ่บ้างเวลาเรามีประสบการณ์อะไรให้รีบกําหนดยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปโกรธกับใคร ก็ให้กำหนดโกรธไม่ใช่พอมโหใครก็ทำร้ายเขาก่อนแล้วถึงมากำหนดโกรธทีหลังนั้นไม่ถูกต้องเวลาเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอให้ดูที่เท้าอย่าหลับตาเดี๋ยวจะไม่รู้ว่ารูปนามขันห้าเป็นอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรจิตนี้มีเกิดดับเวลาเราก้าวขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ รู้หรือไม่ว่าขวาซ้ายเป็นอันเดียวกันพอจิตที่ขวาย่างหนอดับลงไปจิตดวงใหม่คือซ้ายก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่ขวาที่เราเห็นนี้เป็นรูปธรรมส่วนนามธรรมคือจิตที่เรารู้ว่าย่างไปในปัจจุบันอย่างไรและจะรู้ต่อไปถึงจิตเห็นหนอรูปกับนามันคนละอันกันหูกับเสียงก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน หูเป็นเครื่องรับเป็นรูปธรรมตัวนามที่รับเข้าไปชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีเป็นนามธรรมทำให้เรารู้ภายในรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์โลภะมูลจิต8โทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองสังขาริกังอสังขาริกังบอกอย่างนี้ไว้ชัดเจน กุศลสี่อกุศลสี่คือโลภะมูลจิตแปดอยากได้ของเขาเสียก็ไม่เอาด้วยโลภอยากได้แต่โลภมีอย่างหนึง่งคือโลภอยากได้แต่ทำงานสุจริตเอาได้มาด้วยความถูกต้องแต่ไม่จัดเป็นโลภะที่เสียหายเพราะกิเลสมันจัดเป็นโลภะอยากได้ บางคนว่าอยากนั่งหนออยากนั่งหนอมันก็เป็นกิเลสการเดินจงกรมก่อนเดินให้ยกมือควยหลังมือขวาจับข้อมือซ้ายไว้ตรงกระเบนนิบยืนตัวตรงเงยหน้าหลับตาสำรมจิตให้สติจับอยู่ที่กลางกระหม่อม กำหนดว่ายืนหนาช้าๆห้าครั้งโดยเริ่มจากศรีรษะลงมาปลายเท้าและจากปลายเท้าขึ้นไปบนศรีรษะกลับขึ้นกลับลงจนครบห้าครั้งแต่ละครั้งแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกคำว่ายืนสํารวมจิตเอาสติตามวาดมโนภาพร่างกายศรีรษะลงมาหยุดที่สะดือ คำว่าหนอจากสะดือลงไปปลายเท้านับเป็นหนึ่งครั้งจากนั้นกาหนดกลับขึ้นคําว่ายืนกาหนดจากปลายเท้ามาหยุดที่สะดือคําว่าหนอกาหนดจากสะดือไปกลางตระหม่อมนับเป็นสองครั้งกาหนดกลับไปกลับมาจนครบห้าครั้งขณะนั้นให้สํารวมจิตอยู่ที่ร่างกายอย่าให้ออกไปนอกกาย แล้วลืมตาขึ้นค่อยๆก้มหน้ามองดูปลายเท้าให้สติจับอยู่ที่เท้าเพื่อเตรียมเดินจงกรมต่อไปการเดินให้กำหนดรู้เฉพาะอิริยาบถเดินอย่างเดียว ให้กําหนดว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก่อนจะเดินให้สํารวมจิตอยู่ที่เท้าขวาตั้งสติปักลงไปแล้วกําหนดในใจคําว่าขวาต้องยกส้นเท้าขวาขึ้นจากพื้นประมาณสองนิ้วสติระลึกรู้พร้อมกับส้นเท้าขวาที่ยกขึ้นกําหนดย่างก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าช้ า, ชา โดยให้สติระลึกรู้พร้อมกับเท้าขวาที่เคลื่อนไปข้างหน้าเมื่อก้าวเท้าเสร็จหยุดค้างไว้โดยเท้ายัางไม่เหยียบพื้นพอกาหนดคาว่าหนอให้ค่อยๆวางเท้าลงให้ถึงพื้นโดยปลายเท้าและส้นเท้าลงพร้อมกันสติระลึกรู้พร้อมกับเท้าที่ลงสัมผัส พ, พื้น จากนั้นสมรวมจิตไว้ที่เท้าซ้ายตั้งสติปักลงไปแล้วกาหนดว่าซ้ายย่างหนอสลับกันเช่นนี้เรื่อยๆไปการเดินให้เดินช้าๆระยะก้าวในการเดินห่างกันประมาณหนึ่งคืบเป็นอย่างมากเพื่อการทรงตัวขณะก้าวจะดีขึ้นเมื่อเดินสุดสถานที่ใช้แล้วให้นําเท้ามาเคียงกัน เงยหน้าหลับตากาหนดยืนนอช้าๆอีกห้าครั้งเหมือนกับที่ได้อธิบายมาแล้วจากนั้นให้ลืมตาก้มหน้าลงมองดูปลายเท้าเพื่อทำท่ากลับต่อไปท่ากลับการกลับกำหนดว่ากลับหนอสี่ครั้งครั้งที่หนึ่งยกปลายเท้าขวา ใช้ส้นเท้าขวาหมุนตัวไปทางขวา45องศาพร้อมกำหนดว่ากลับโดยให้สติอยู่ที่ส้นเท้าขวาเมื่อได้45องศาแล้วก็ค่อยๆวางปลายเท้าขวาลงพร้อมกับกำหนดว่าหนาครั้งที่สองเคลื่อนเท้าซ้ายมาชิดกับเท้าขวา พร้อมกับกำหนดว่ากลับโดยให้สติอยู่ที่เท้าซ้ายที่เคลื่อนไหวแล้วค่อยๆวางเท้าซ้ายลงพร้อมกับกำหนดว่าหนาครั้งที่สามทำเหมือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สี่ทำเหมือนครั้งที่สองเมื่อทำครบสี่ครั้งจะได้เก้าสิบองศาซึ่งอยู่ในท่ากลับหลัง หันพอดีจากนั้นให้กำหนดยืนหนอช้าๆอีกห้าครั้งจากนั้นลืมตาก้มหน้ามองดูปลายเท้าแล้วกำหนดเดินต่อไปกระทําเช่นนี้จนหมดเวลาที่ต้องการ ยืนยืนหนอนี้อาตมาได้มาจากขอนแก่นอาตมาไปเจอหลวงพ่อดำที่น้ำพองอยู่ที่ป่าไซ ย, ย้อยเดี๋ยวนี้น้ำทั่วหมดแล้วได้เดินทุดงไปกับท่านท่านให้ปริศนาทำไว้ว่าอยากเรียนรู้ถามหญิงคันหูอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียว เดินทางเดียวอย่าเหยียบรอยกันณนะอยู่หัวสามตัวอย่าละณนะอยู่ที่ไหนไปตามเอามาให้ได้แล้วท่านบอกว่าเกษาโลมานักขาทันตาตาโจตาโจทันตานขาโลมาเกษาอัตมามนึกดูว่าตัวเองทำไม่ได้มาสิบปีพอไปเจริญสติปัฏฐานจึงร้องอ๋อ ต้องเอาวิชานี้ให้ได้ยืนห้าครั้งคือทบทวนชีวิตให้ได้ห้าซึ่งก็มีตั้งแต่กำเนิดเกิดมาจากมารดาแล้วแก่เกสาโลมานาขาทันตาตะโจเกสาคือผมโลมาคือขนนาขาคือเล็บทันตาคือฟันตาโจคือหนัง ของทั้งห้าอย่างนี้มีมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาจากท้องมารดาให้เอามาพิจารณาวิชาการกับปฏิบัติเป็นคนละอย่างกันไม่เช่นนั้นไปเรียนแพทย์มาแล้วไม่ต้องฝึกรักษาใครไปเปิดคลินิกเลยจะได้หรือประสบการณ์น้อยไปต้องให้คนไข้เป็นครูรักษามานานจนมีชื่อเสียง ถึงจะไปเปิดคลินิกได้หลวงพ่อดำบอกว่าถ้าเธอคิดได้ให้ไปเจอเราที่เขาภูคาจังหวัดน่านเมื่ออาตมาคิดได้นั้นเป็นเวลาสิบปีพอดียืนหนอห้าครั้งคือพิจารณาถึงห้าครั้งเดินทางเดียวอย่าเหยียบรอยกันก็คือกลับหนอหมุนเท้าขวาส5ห้าองศา มันจะเหยียบรอยกันหรือมาคนละครึ่งทางกลับนี่หมุนขวาก่อนแล้วซ้ายค่อยมาให้พร้อมๆกันอย่าเหยียบรอยกันหมายความว่าเดินอย่าไปเหยียบรอยกันขึ้นลงคนละทางขวาซ้ายขวาซ้ายเท่านี้เองพออายุสี่สิห้า อาตมาก็เดินทุดงไปเจอท่านที่เขาภูคาท่านพาอาตมาเดินลัดเขาลำเนาไพรสองเดือนอาตมาก็ได้ไปไหว้พระที่มันดเลแล้วอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้ามีบุญวาสนาขอนิมนพระจากมันดเลมาสู่ประเทศไทยให้จงได้ตอนนี้พระจากมันดเลมาแล้ว หลังจากวันนั้นมาเป็นเวลาสี่สิบปีพอดีถ้าคนไม่มีบุญวาสนาไม่มีทุนอยู่ในใจจะไปอธิษฐานอะไรก็ไม่ได้ผลยืนหนอ5้าครั้งเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงปลายเท้าเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมายืนหนอ5้าครั้งแล้วหลับตาตั้งตัวตรงตรง เอาจิตปักไว้ที่กระหม่อมเอาส ต, ติตามดังนี้ยืนถึงสะดือหนอถึงปลายเท้าหลับตาอย่าลืมตานึกมนโนภาพเอาจิตมองไม่ใช่มองเห็นด้วยสายตายืนจากปลายเท้าถึงสะดือหยุดแล้วก็หนอถึงปลายผมคนละครึ่ง พอทำได้แล้วภาวนายืนหนอจากปลายผมถึงปลายเท้าได้ทันทีไม่ต้องไปหยุดที่สะดือแล้วแคล้วคร้องว่องไวคนที่ไม่ค่อยฉลาดพอไปนั่งกรรมฐานแล้วจะฉลาดขึ้นจะไม่ขี้เกียจทำอะไรเสร็จรวดเร็วเรียบร้อยมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่นั่งกรรมฐานแล้วถึงญาณโน้นไปเห็นพระอิน แล้วพระอินบอกว่าเธอทำได้ดีมากปลดระวังมันจะเพียนไปขาดสติแท้ๆขาดสติจะเพียนทันทีบางคนไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าทำนาดีไหมค้าขายดีไหมคนแบบนี้มาที่วัดเยอะเลยเขียนมาเล่าให้ฟังสิบหน้ากระดาษเอาอะไรมามันนอกเรื่องกรรมฐาน ยืนหนอห้าครั้งถ้าเป็นเด็กบอกให้ยืนเด็กจะหายใจเร็วหายใจช้าไม่ได้คนหายใจเร็วจะใจร้อนต้องหายใจช้าๆพอห้าครั้งแล้วคนที่ทำได้แล้วไม่ต้องหยุดอยู่ที่สะดือไปได้เลยเสร็จแล้วลืมตาดูที่เท้าต้องการเอาสติจับอยู่ที่เท้าไม่ให้มองไปที่อื่น ยืนหนอต้องหลับตาทบทวนชีวิตของเราทบทวนช้าๆอย่าทำเร็วยืนหนออย่าไปดูลมหายใจสติทบทวนจะทำให้เรารู้เหตุการณ์ในชีวิตได้อ่านตัวออกบอกตัวได้จิตเกิดทางอายตนะตาหูจมูกกลิ้นกายใจ เรื่องเงาะป่าเป็นเรื่องให้คติไม่ใช่เรื่องเล้วไหลเงาะป่าปากไม่พูดจิตไม่คิดจึงเป็นสมาธิภาวนาคือมีตัวปัญญาสวมเงาะเป็นปริศนาธรรมเงาะป่าเดินไปตั้งหลายเมืองไปเจอรจนาเข้ารจนาเข้ากรรมฐานเห็นหนอยืนหนอห้าครั้งจึงเสี่ยงพวงมาลัยเพราะรู้ด้วยปัญญาว่า ข้างในไม่ใช่เป็นแค่ทองคำแต่ข้างในเป็นตัวปัญญามีวิชาความรู้รจนาจึงเสียงพวงมาลัยให้รจนานั้นมีคุณสมบัติ6ประการคือรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามีมารยาทเป็นชาติผู้ดีมีศีลธรรมเรามองคนด้วยปัญญาจะไม่เสียหายแต่จะมีปัญญาใช้ปัญญาได้ต้องฝึก คนเรามีทั้งดีทั้งชั่วคนที่มีปัญญาจะมองคนด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาอย่างเช่นเนื้อคู่ของคนเหานี้ไม่ต้องไปหาหมอดูบุพเพสนิวาสเมื่อมีบุญวาสนาต้องได้คนดีจึงไม่ต้องคิดเป็นห่วงการยืนหนอห้าครั้งพยายามเอาจิตและสติอยู่ด้วยกัน พออยู่ได้กันแล้วจะไม่มีตัวตนให้เราเห็นไม่เหมือนวัตถุที่มองเห็นด้วยสายตาจึงยากตรงที่ไม่มีตัวตนมันเป็นอารมณ์อารมณ์ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เขาคิดอะไรกับเราก็ไม่รู้ถ้าเราได้กรรมฐานชั้นสูงแล้วจะรู้ว่าเขาคิดอะไรกับเราบางคนใกล้เกลือกินด่าง ให้ปฏิบัติกรรมฐานไม่เอาไม่ชอบอย่างนี้ตายไปกี่ชาติจึงจะได้ปฏิบัติกรรมฐานคนเราต้องมีความอดทนจึงจะได้ของดีของดีนั้นจะได้มาก็ด้วยความอดทนอดกลั้นความดีเมื่อเข้ามาอยู่ตรงไหนก็ดีตรงนั้นซึ่งก็คือความสงบนั่นเองความสงบจิตระงับใจพยายามกําหนดยืนหนอห้าครั้งให้ได้ พอได้แล้วจะรู้สึกตัวเบาไปหมดทำอะไรคล่องแคล่วไปหมดและจะรู้เหตุการณ์ของคนอื่นได้เช่นพอเห็นก็รู้ทันทีเลยว่าคนนี้มีนิสัยเป็นอย่างไรจะคบค้าสมาคมเข้าหุ้นกับเขาได้หรือไม่จะบอกได้ไม่มีผิดพลาดการกลับกลับหนอสีคู่พอคล่องแล้วก็เป็นแปดคู่ จากหยาบมาละเอียดคนเราพอมีสติดีจกคล่องแคล่วไปเองคนที่ทำอะไรยืดยากชักช้าหรือทำอะไรผิดพลาดบ่อยๆพอมาทำกรรมฐานก็จะคล่องแคล่วกว่าเกา่าทำอะไรผิดพลาดน้อยลงไปและทำอะไรก็จะรู้ทันทีว่าผิดหรือถูกและจะขยันขึ้นไม่เกียจคร้านเลยถ้าคนที่มีสมาธิดีสติดี ฝึกไว้จนมั่นคงพอมีทุกข์มันจะออกมาแก้ถ้าไม่มีทุกข์มันจะเฉยไม่ได้หมายความว่าคนอื่นมาบอกคนเรามีทุกข์กันคนละอย่างต่างๆกันทุกข์ของใครคนนั้นก็ต้องแก้เอาเองอย่างเรื่องรามเกียรติเมื่อพระรามคิดอะไรไม่ออกไม่ต้องปรึกษาใครต้องปรึกษาพิเภก เพราะพิเภทเป็นสติลิงชื่อองคงคตเป็นจิตเมื่อจะฆ่าทศกัณฐ์ก็ให้องค์คตไปหลอกลวงฤาษีเอาหัวใจของทศกัณฐ์มาให้ได้และเมื่อจะฆ่าอินทรชิตก็ใช้องค์คตไปหลอกลวงพระพรหมไปเอาพานมาให้ได้พระรามแผลงสอนไปถูกอินทรชิตตายต้องเอาพราน รองไม่เช่นนั้นหัวตกพื้นไฟจะไหม้โลกการนั่งจะนั่งขัดสมาธิชั้นเดียวขัดสมาธิสองชั้นหรือขัดสมาธิเพชรก็ได้แล้วหายใจยา ว, ยาวเมื่อหายใจยา ว, ยาวได้แล้วสติจะดีขึ้นไวขึ้นถ้ามีสมาธิจะไวมาก คนที่หายใจสั้นจะอารมณ์ร้อนทำอะไรก็ไม่ได้ดีถ้าพระในป่าจะนั่งขัดสมาธิเพจไม่นั่งอย่างพวกเรานั่งอย่างนั้นครั้งแรกปวดจนน้ำตาร่วงแต่ต่อไปจะไม่ปวดถ้าปวดก็ให้กำหนดถ้าเมื่อยจัดกำหนดไม่ได้จริงๆก็อนุโลม ค่อยๆกำหนดยกหนอยกหนอเอามือค่อยๆยกขาขวาแล้วก็วางหนอวางหนอเวลานั่งให้ขาขวาทับขาซ้ายหลับตาอย่าดูลมหายใจที่จมูกให้ดูที่ท้องหายใจยาวๆหายใจเข้าให้ยาวๆหายใจออกยาวๆสักสี่ห้าครั้ง พอได้สีห้าครั้งแล้วเริ่มตั้งสติไว้ที่ท้องหายใจเข้าท้องจะพองแล้วก็ว่าพองหนอหายใจออกยาวๆท้องจะยุบก็ว่ายุบหนอถ้าหากว่าไม่ได้จังหวะเราก็เอาพองสักหนึ่งหนอสักสามพองหนอยาวๆ ถ้าหากเราบอกพองยังไม่ทันหนอยุบเลยพอยุบยังไม่ทันหนอพองขึ้นมาอีกแล้วพองยุบพองยุบเร็วๆก็ไม่เกิดผลอะไรหนอตัวนี้เป็นตัวรั้งสติเหมือนหลอดนีออนต้องมีสตาร์เตอร์ถ้าไม่มีสตาร์เตอร์ไฟนีออนจะไม่ติดตัวหนอเปรียบเหมือนสตาร์เตอร์หนอ ทำให้สติและจิตติดไฟเกิดแสงสว่างคือตัวปัญญาจิตนี้มันเกิดดับไวมากเหมือนไฟนิออนมันเกิดดับเกิดดับไวมากเรามองไม่เห็นถ้าเรายุบหนอพองหนอช้าๆไปตามท้องอย่าไปดูลมหายใจพอหายใจยาวๆแล้วมันจะเกิดปัญญา ทำให้เรารู้หลักเกณฑ์วิธีการเกิดความฉลาดในตัวเองหายใจให้ยาวไว้คนที่หายใจยาวจะมีสติไวมากหายใจสั้นมันไม่ได้จังหวะใหม่ๆจะอึดอัดเพราะเรายังไม่เคยทำพอนานเข้าจะไม่อึดอัดพองหนอยุบหนอจะคล่องแคล่วแล้วปัญญาจะเกิด ถ้าเกิดเวทนาให้หยุดภาวนาพองหนอยุบหนอหยุดก่อนเอาจิตปักตรงที่ปวดและภาวนาว่าปวดหนอช้าๆแล้วตั้งสติไว้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต้องเรียนให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วความปวดหายไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แน่นอน เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตจะไม่ตกกังวลพอจิตไม่ตกกังวลก็จะไม่ปวดอีกถ้ามานั่งใหม่ปวดอีกก็ศึกษาอีกให้กําหนดที่ลิ้นปีหายใจยาวๆวไว้คนเราแก้ปัญหาไม่ได้เพราะไม่ได้กําหนดแต่ถ้าไม่มีสมาธิกําหนดอย่างไร ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีสติกำหนดไม่ได้พอมีสมาธิหนักเข้าก็แก้ปัญหาได้ทุกอย่างถ้าเสียใจก็กำหนดที่ลิ้นปีแล้วภาวนาเสียใจหนอเสียใจหนอจะเกิดสติบวกหนึ่งขึ้นมานึกรู้ว่าเสียใจเรื่องสามีเรื่องลูก ปัญญาตัวนี้คือตัวที่สะสมไว้มันจะบอกวิธีแก้แล้วเราก็แก้ไปตามนั้นถ้าโกรธก็กำหนดที่ลิ้นปีหายใจยาวๆไว้สักครู่ก็จะหายโกรธถ้าทำงานในเวลาโกรธจะเสียหายหมดภาวนาว่าโกรธนอโกรธนอให้ยาวๆพอสติบอกว่าโกรธใครแล้ว ตัวปัญญาจะเกิดขึ้นว่าควรจะแก้อย่างไรนี่เป็นการแก้จากการที่ได้กรรมฐานใครหายใจเข้าออกอยังไม่สะดวกพยายามหายใจช้า ไม่ต้องไปเบ่งท้องให้เกินไปแต่สภาวะที่เราต้องเห็นด้วยจิตมันชัดถ้าเราสมาธิดีสติดีจิตเราก็ไม่คิดหลายเรื่องไม่เลือนลางแล้วพองยุบจะชัดถ้าเราคิดหลายอย่างหลายเรื่องรวมกันแล้วสมาธิมันจะหมดสติจะไม่ดีพองยุบจะไม่ชัดหายใจเข้า หายใจออกช้าๆค่อยๆทําไปจิตจะแกวงไปแกว่งมาบางทีพอสมาธิดีท่านจะสังเกตได้ว่าจิตจะเริ่มออกคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องหนักก่อนเรื่องเบาทีหลังบางครั้งสมาธิดีขาสติจะคิดซ้อนจะมีเรื่องซ้อนขึ้นมาทำให้เราคาสติไปและทาใหเรากาหนดไม่ได้จังหวะ บางครั้งจะหนักแล้วจะวูบบางครั้งจะเบามีจิตอีกดวงหนึง่งจะคิดจิปาถะที่เราได้กังวลอยู่เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของจิตที่คิดตลอดเวลาเวลานั่งจึงเป็นสมาธิตลอดไม่ได้ทำไมต้องคิดเพราะสติจะดีอย่างไรมันก็ต้องคิดแต่จะทำอย่างไรถึงจะไม่คิด ต้องเข้าขั้นสูงจะไม่คิดอะไรมันจะดิ่งนิ่งถ้าเรายังต่ำหรือเรายังอยู่ในระหว่างจิตสัดสายไปมาอยู่เสมอมันจะคิดอะไรต่างๆไปมา ว่ามันสับสนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในขณะกําหนดให้กําหนดว่ารู้หนอรู้หนอให้ตั้งสติให้ได้ก่อนที่ลิ้นปีเมื่อตั้งสติได้แล้วก็กําหนดต่อไม่อย่างนั้นจะสับสนไปตลอดจะไม่เกิดอะไรจะไม่เกิดสภาวะธรรมเราจะต้องทาให้ติดต่อกันไปสภาวะตัวนี้เกิดจากยานเป็นขั้นตอน ต้องให้กําหนดอย่างนั้นอย่างนั้นที่เราบอกว่าให้จิตอยู่กับที่นั้นเป็นไปได้ยากเพราะจิตจะคิดโน้นคิดนี่จิปาทะแต่จะคิดอะไรก็ตามให้เอาสติใส่เข้าไปโดยการกําหนดว่าคิดหนอที่ลิ้นปีไม่ใช่เอาแต่พองหนอยุบหนอเวลามีอะไรก็ไม่คิดไม่กําหนดไม่ได้ การกำหนดจิตนี้เพื่อต้องการให้เราไม่ลืมไม่หลงถ้าไม่ลืมไม่หลงแสดงว่ามีสติดีแล้วอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเราทำแล้วไม่ได้ผลเมื่อไม่เป็นสมาธิก็คิดโน้นคิดนี่ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นให้เอาสติตามเลยก็คือการคิดหนอการเดินจงกรมก็เหมือนกับการนั่งเราก็าเอาสติตาม แต่เราจะให้สมาธิมันดิ่งอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าเข้าขั้นสูงเข้าขั้นมีสภาวะเกิดขึ้นจิตก็จะดิ่งลงไปมีแต่สมาธิซึ่งก็หมายความว่าดิ่งอยู่เฉยๆไม่มีนิมิตเกิดขึ้นแสดงว่ามีสมาธิมากไปแต่ขาดสติวิธีทมก็คือถอยสมาธิออกให้ใส่สติเข้าไป ภาวนารู้หนอรู้หนอรู้หนอพอรู้เหตุการ์นั้นแล้วสมาธิก็จะถอยจะจางออกไปพอจางออกไปก็ใส่สติเข้าไปคือการคิดหนอ